เดินก่อนท่านประธานในพิธีแล้วก็แยกที่ทำของท่านนะแบบนะกา ร, ๆๆรมาที่โรงพยาบาลอันนี้นะก็เในส่วนตัวก็เหมือนมาที่ที่สุดท้ายของตัวเองเพราะว่าในเมื่อมอบกายไว้กับที่นี่แล้วสุดท้ายร่างกายของคนทีมาที่นี่แหละถ้าไม่มีใครมาเกาลียดจิตนาลัยตกลงมา ก, ก่อนก่อนที่กายจะมาสุดท้าย ตอนนี้ก็ยังมีชีชวิตต้นหายใจอยู่ก็กม็มาอมาบอกความจริงก่อนน ะ, นะมาบอกความจริงของชีวิตคือสุดท้ายชีวิตเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นไม่ได้ก็ทําให้เป็นประโยชน์นั่นแหละดีที่สุดนในสมัยปัจจุบันก็การมอบกายให้กับรงพยาบาลหรือว่าม อ, อบวิทยาวะให้กับผู้ป่วยอะไรต่างๆมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่สุ ที่จริงมันสอดคล้องกับประเพณีในสมัยอดีตนะสมัยอดีตปัจจุบันนี่อาจะยังมีอยู่ในความเชื่อแบบพุทธศาสนาแบบทิเบต น, นะแบบวัชทยานเขาบอกว่าการสรบทาทานครั้งสุดท้ายของชีวิตก็คือในดินแดนของทิเบตหรือว่าคนที่ราบสูงะจะมีแรงมีกามีสัตว์ที่มีหอยเยอะ เขาแร่เนื้อตับกระดูกแล้วก็ไปไปวางไว้ตรงที่บริเวณอาหารสัตว์นะเขาถือว่าถ้าคนที่ทำเช่นนี้ก็คือคนที่ทาําทานของร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะถือว่าเป็นการทารําทานที่สูงนะดีกว่าเราเอาเอาเนื้อเอาหนังของเราเอากระดูกของเร า, เปเา ไ, ไปเผาไหมไฟเฉยนะ อันนั้นก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมทำไมปัจจุบันก็อาจจะประยุกต์ได้เช่นการทำในโรงพยาบาลกนะ็ประยุกต์ได้อันนี้ก็พูดนะให้ฟังเพื่อต้นสนิเฉยแต่วันนี้เรามาเรื่องการฝึกปฏิบททนะัติธรรมการฝึกปฏิบัติธรรมโดยเฉพะเรื่องการเจริญสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกับชีวิตของเราทุกคนนะนะั่นแหละ เพราะว่าถ้าเราไม่มีสตนะิชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนการไม่มีสติในทางโลก mm hmm. อาจจะพูดเป็นแค่ว่าเราไม่กินเหล้านะหรือว่าเราไม่ลืมของเราไม่ลืมชื่อคนนะเราไม่ลืมหน้าที่การงานอันนั้นในทางโลกเขาก็คิดว่าคนอันนั้นเป็คนที่มีสติแล้วนะหรือบางทีเราเอาจจะเรียกคนที่เรียกว่า เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตก็คือคนที่อ่าเป็นคนที่ขาดสตินะแต่ถ้าใครไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะไม่ต้องรับยารักษาอาการพวก น, นั้นก็คือคนปกติอันนั้นให้เราเข้าใจว่าการมีสติในทางโลกนะมันก็คือมันแค่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเข้าการบาบัดรักษาในทางจิตเวชหรือทงางประสาทหรือเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ แก่หลงลืมอันนั้นเป็นเพียงแค่สติทางโลกนะเราสามารถใช้ชีวิตทางโลกได้เป็นปกติอันนั้นก็เป็นคนส่วนใหญ่ของของโลกใบนี้แต่พระพุทธองค์ท่านพบว่าแม้จะมีชีวิตมีหน้าที่การงานมีความกล่องขนาดไหนอันนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีสติสมบูรณ์นะเพราะว่าไรสติในทางธรรม ไม่ใช่เรื่องการจําชื่อคนได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าการวิ่งสิ่งของหรือไม่ใช่เพียงแค่ว่าการสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้โดยธรรมดาเท่านั้นแต่สติในทางธรรมคือมันจะนําพาตัวของเราเองให้เข้าใจความจริงให้เข้าถึงความจริงความจริงในที่นี้คืออะไรคือเข้าใจเรื่องของชีวิตเข้าใจเรื่องของตัวเราเองจอทั้งเข้าใจาทั้งใจมันไม่ฟุ้ง อันนี้คือสติปัญญาจะนําพาชีวิตของเราไปสู่ตรงนั้นนะคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าอยู่กับโลกโดยธรรมดาเท่านั้นแต่เราจะนําพาจิตใจนำมาชีวิตของเราไปถึงจุดหมายปลายทางของ ม, องมนุษย์ก็คือความไม่ถูกอันนี้คือให้เข้าใจที่แยกให้ได้ว่าสติในทางโลกและสติในทางธรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอันนั้น เราเลยต้องมาฝึกเรื่องอะไรฝึก ส, สติในทางธรรมะในที่นี้นะเอคนฝึกสติในทางธรรมะเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราเรียกว่ า, ษษษษษษษ า, ามีสติอย่างเต็มที่การมีสติอย่างเต็มที่นี่เรียกว่าการไม่ประมาทนะพวกเราจะคุ้นเคยกับคำว่าไม่ประมาทนะแต่การไม่ประมาท ก, ก็คือการที่มีสติเนี่นะนะยแหละการมีสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะอะไรเราสังเกตไหม อในแต่ละวันบางทีเราจะไม่ค่อยรู้จักตัวเองนะเราจะไปสนใจแต่สิ่งภายนอกเป็นสนใจแต่คนอื่นเป็นสนใจในสิ่งอื่นแต่เราไม่ค่อยกลับมารู้จักตัวเองจริงๆตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าเราเคยนอนชาไหนเอาตงง่ายๆนะก็ตื่นตุดเช้านะหรือบางคนอาจจะนอนกลางวันนอนตอนบ่ายไเลยจำไปนะแต่เรารู้ไหมเวลาเราตื่นขึ้นมาเรารู้ตัวไหมว่าเรา อนอนอยู่ ท, ท่าไหนหรือจำความรู้สึกในตอนแรกได้ไหมว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นหรือความขี้เกียจมันเป็นความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวตั้งแต่ตอนตื่นนอนเราจะรู้ชัดเลยว่าร่างกายของเราในตอนนั้นอมันอยู่ในท่าไหนจิตใจมีอาการเช่นไรในขณะที่ตื่นขึ้นมาอันนี้คือความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วนะ มันก็จะไปทําอย่างอื่นได้นะลุกขึ้นมาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็สามารถมีสติในการเดินมีสติในการแปรงฟันล้างหน้ามีสติในการขับถ่ายนะทำสติในที่นี้คืออะไรคือการที่เรารู้ว่ากายกำลังทำอะไรนะสติในเบื้องต้นคือรู้ว่ากายกำลังทำอะไรนะแต่เราสังเกตไหมเวลาเราแปรงฟันง่ายแปรงฟันเนี่ย แปลงปันบางทีเราไม่ทันจะรู้ตัวนะอ่าหยิบแปลงถึงปันหยิบยาถึงปันเนี่ยเป็นอัตโนมัตมากนะคล้ายๆขนโยนนะนะทําไปนะใจมีที่ไหนจะไม่รู้นะใจบางคนอาจจะมอยู่ที่นอนหรือใจบางคนไปคิดถึงงานที่ต้องมาทํานะคือใจที่อยู่กับปัจจุบันใจเปห่วงลูกห่วงหลานแปลงเสรแล้วก็ไม่รู้หรอกแปลงขึ้นแปลงลงแปลงทั่วหรือเปล่าไม่รู้ทําเป็นอัตโนมัต น, นะคล้ายๆเหมือนกัน คนไกลมันทำงานเวทนะเพราะว่าทําท uh, ุกวันแต่เสร็จตอนไหนกุไม่รู้นะ้วดปากนะร่างหน้าเรียบร้อยละนะถือว่าเสร็จหนึ่งกิจวัตรละนะอาบน้ําก็เหมือนกันแต่งตัวก็เหมือนกันหรือง่ายๆสังเกตเรื่องการกินข้าวนะเราสังเกตไหมบางทีเรากินไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คิดไปกินไปคิดไปกินไปคุยไปนะกินไปก็พุ่งไปนะ แต่เราไม่ทันสังเกตแต่ามาเห็นการเคี้ยวข้าวนะการดื้นข้าวนะหรือว่าการที่จิตใจมันหลงไปกับคำข้าวหรือจิตใจมันหลงไปฟุ้งซ่านเราคอยทันสังเกตการพวกนั้นไหมนะแต่บางทีเรากินไปกินเช้ายกินให้มันหมดไปกินให้มันเสร็จกินไปแต่เรากินไปแล้ว เ, เราได้แต่อ่านทางกาย แต่เราไม่ได้ต่างทางของจิตใจเลยนะก็คือไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มีชีวิตเช่นนี้แหละตั้งแต่ตื่นเจอทั้งหลับนอนนะก็คือมีชีวิตอยู่ไปวันๆเฉยๆกินได้เดินได้นอนได้ น, น, ดนะถ่ายได้นะแต่คิดไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็นถ่ายไม่เป็นคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นนะ การทำได้กับการทำเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันนะโยนเข้าใจไหมการทำได้กับการทำเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันนะเช่นเราเดินได้นะเราเดินได้เราเดินจากที่บ้านมาถึงที่นี่ได้นะ <S <S อันนั้นคือการเดินได้แต่การเดินเป็นคืออะไรเดินเป็นคือขณะที่เราเดิน ใจรู้เนืรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่นะจิตใจคิดเนื้อปรุงแต่งอะไรก็มีสติคอยรู้ทันอันนี้การเดินเป็นแต่คนที่เดินได้คืเดินอย่างไหนเดินไปไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินใจอยู่กับการคิดใจอยู่กับความกังวลใจอยู่กับสิ่งรอบข้างเช่นเดินไปเห็นกระเป๋าวสวยใจก็ไปอยู่กับกระเป๋าวสวย เดินไปเห็นอาหารที่น่าทางใจต้องอยู่กับอาหารอันนี้คือการแค่เดินได้แต่คนที่มีสติคือคนที่เดินเป็นนะเดินเป็นคือการเดินอย่างรู้สึกตัวนะรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวในการฝึกปฏิบัตินะแบบหลวงพ่อเทียนถ้าเริ่มต้นที่การฝึกยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เดินจคงอย่างที่ได้แนะนำในเบื้องต้นเมื่อกี้นะเพืนะ่ออะไร เพราะว่าสติปัฏฐานมันมีสี่หมวดือเรียกว่าปฏิปัฏฐานหมวดกายนะเรียกว่ากายใหญ่ที่ัฒนาปฏิปัฏฐานหมวที่สองเรียว่าเวทนาหมวดที่สามเรียกว่าจิตหมวดที่สี่เรียกว่าธรรมมาลงนะเราเราิ่มต้นด้วยการรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันหยามมันชัดมันเด่นนะแล้วก็ทำตั้งแต่ตื่นเจนกระทั้งหลับ หรือถ้าเราพิสติจริงๆต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติแม้แต่ตอนหลับเราก็จะรู้สึกตัวขณะที่พลิกซ้ายพลิกขวานะจะแทงหรือโอ้ข่ำขยื่นนิดหน่อยมอนชีก็รู้นะบางคนคิดว่าการรู้สึกตัวแบบนั้นมันทำให้เรานอนไม่หลับนะนอนแบบไม่หลับสนิทนะแต่รู้ไหมการรู้แบบนั้นนะมันไม่ทำให้เราเพียเลยนะมันรู้สึกตัวนะแต่มันไม่ได้เพียมันเหมือน มันเหมือนไม่ดับแต่มันก็ดับนะมันเหมือนไม่ได้พักแต่มันก็พักนะนตแต่เอาไว้ก่อนก็ได้นะเอาตอนที่เรายัางตื่น ต, ตื่นตาก่อนก็ได้ก็คือว่าตั้งแต่เราตื่นจนกระทั่งหลับนอนเ น, น, นี่ยหล่ะเราจะมีเวลาอยู่ประมาณ18ชั่วโมงนะเอาง่ายๆถ้าเรานอน6ชั่วโมงเราจะมีเวลาประมาณ18ชั่วโมงเนี่ย18ชั่วโมงนี้ถ้าเราสามารถมีสติได้นะอ่า ม, า, า, ะามันเยอะแยะมากนะถ้ามีสติทุกครั้งอ่า เราจะเรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบตัวนี้ก็ได้เช่นสมมติเรายกมือสิบสี่จังหวัะนะหลวงพ่อก็เขียนเขาจะพูดเสมอว่ายกครั้งหนึ่งก็รู้ทั้งหนึ่งนะสิบสี่จังหวัะก็สิบสี่รู้นะประมาณวินาทีจะรู้วินาทีจะรู้ถ้าหนึ่งนาทีก็หกสิบรู้อนะ่ะชั่วโมงหนึ่งก็สามพันหกร้อยรู้สิบชั่วโมงก็สามหมื่นหกพันรู้นะ ถ้าเรา20ชั่วโมงเท่าไรเ็ดหมื่นสองพันรู้ถ้าเราตื่นสิบแปดชั่โมงนะก็ประมาณหกหมื่นตัวรู้ใช่ไหมถ้าเราวันวันหนึงเรารู้สึกตัวสิบหกหมื่นครั้งเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับการที่เราหาเงินนะหาเงินก็ได้หกหมื่นบาทสมมติกับถ้าเราไม่มีสติเลยศูนยบาทนี่มันต่างกันมากใช่ไหมดังนั้นวันหนึ่งผู้ที่เจอสติเนี่ยถ้าเปกสติอย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่รู้ทุกคนวินาทีนะสมมุติถ้ารู้ขึ้งหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นะ 3, ครั้งเนี่ยสมมุตินะสามหมื่นครั้งเนี่ยก็ถือว่ามากแล้นะถือว่ามากเลยนะแทนที่เราจะไม่รู้ตัวเลยลงไปกับโลกลงไปกับอารมณ์เลยนะมันเสียประโยชน์ไปในะแต่ละวันวัน ว, น ว, นวนันึงเนี่ยจะมีเวลาไม่มากเนาะถ้าเราใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะได้ฝุ่นที่มากนะการที่เราจะ ม, มีสติในการรู้กายเพราะว่าอะไร กายมันชัด ก, กายมัญญากายมันเด่นอ่าเก๋ไหมอย่างที่เรายกมือเคลื่อนไหวเนะี่ยพอมันเคลื่อนจริงก็รู้สึกจริงใช่ไหมแม้เราไม่ได้เคลื่อนอยู่ข้างหน้าเราเคลื่อนอยู่ข้างหลังอย่างที่ตอนแรกฝากามือฝาแแบมือนะมันก็รู้ได้ใช่ไหมเนะี่ยกายมันแสดงความชัดเจนเลยอ่านะกายเคลื่อนก็รู้ตัวอนะ่าเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนะ เราใส่สติในการรู้กายร่วมต้นนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะเรารู้สึกตัวแบบนี้ยหละก็คือกายเคลื่อนไหวยกมือตั้งจังหวะก็ดีเดินจังกมก็ดีนะหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ดีนะเราก็รู้สึกตัไวไปโดยการทําแบบนี้ก็คือว่ากายเป็นสิ่งหนึ่งกายคือสิ่งที่เป็นรูรปรูปธรรมนะ นามธรรมคือจิตใจคอยรับรู้เราจะเริ่มแยกแยกรูปแยกนาม แ, าแยกข้าแจกขันขติกันแบบนี้ยก็คือว่าตายให้เป็นส่วนของรูปที่เคลื่อนไหวจิตใจคือเป็นส่ว น, นามธรรมที่คอยรับรู้เราจะแยกแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นก็คือว่าเห็นตายเคลื่อนไหวแล้วใจรับรูนะ้วิธีปฏิบัติแบบเต็มสติแบบนี้ไม่ใช่สม ไม่ใช่สมใจไปอยู่ที่กายนะถ้าเราสงใจไปอยู่ที่กายนกายเป็นการเป็นการเท่งเป็นการจจอะเป็นการบังคับกายเพราะนั้นเราแยกแยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่รู้ก็คือแยกกายออกจากใจนะคือมีใจเป็นเพียงแค่คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของกายกายจะทำอะไรก็แล้วแต่จิตนะใจคอยรับรู้นะเมื่อเราสามารถแยกแบบนี้ได้นะมันจะส่งผลมากเลยนะ ผลผลต่ออะไรเช่นเราจะเห็นเห็นกายเป็นตับหรือว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าใจเป็นเพียงแค่หน้าที่แค่รู้ตำหนาถ้าเราผิดแค่แยกกายกับแยกใจได้นเนี่ยอานิสงส์มันก็มากแล้วก็อะไรเช่นสมมุติกายเราปวดกายเราเจ็บกายเป็นโลคนะใช่ไหมมันจะเห็นว่ากายก็เป็นเรื่องของกายเท่านั้นใจมันอยู่ตำหานาะเช่น ถ้าเราเป็นคนไข้ทำไมคนไข้เวลาเขาเจ็บหัวปวดท้องนะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุมาเขาเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจด้วยกายก็เจ็บใจก็ทุกข์นะเพราะเขาไม่รู้จักแยกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของกายแต่ใจมันไม่ทุกข์นะใจเป็นสิ่งนม า, ามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดด้วยแต่คนที่ไม่ฝึกเมื่อกาย เป็นอะไรนะกายเจ็บไข้ได้ป่วยกายทุกข์ใจก็เลยคลอยทุกข์ตามไปด้วยนะแต่ถ้าคนที่แค่ฝึกในเบื้องต้นแค่แยกกายออกจากใจนะเขาจะเห็นว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยค่นะก็แค่เป็นเรื่องของกายแต่ใจเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์ด้วยเนะี่ยเราจะแยก อ, นะออกมาครับแยกออกมาแบบนี้ แม้ในเบื้องต้นในการฝึกแยกแบบนี้มันยังไม่ได้แยกได้ขาดแยกได้ชัดแยกได้แยกได้ตลอดแต่มันจะค่เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกับชัเเกเพลย์นี่เหมือนเช่นบางทีก็เห็นกายมันป่วยนะแต่ใจไม่นะไป่วยนะกลัไปบางทีก็เข้าไปเป็นพ่านนะเข้าไปเป็นทุกข์เพราะหรือว่าเข้าไปหลงไปยึดว่าการนี้เป็นของเรานะเมื่อเรามีปัญญายเห็นแล้วก็ สติไม่ได้ถอนออกมานะเพราะก็กลายเป็นผู้เห็นมันก็จะกลายเป็นเหมือนสลับกันระหว่างผู้เป็นกับผู้เห็นสลับกันไปนะเดี๋ยวก็เป็นผู้เดี๋ยวก็ออกใจความทุกู้นะคล้ายๆเหมือนกับคนจมน้ํำโยนนะเข้าใจไหเวลาเราเห็นคนที่บ่ายน้ํามันเป็นเขาจมน้ําคือถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเองตอนที่บ่ายน้ำไม่เป็นหรือบางคนตอนนี้ก็ยังบ่ายน้ำไม่เป็นนะเวลาเราจมน้ําปนไงจมน้ําก็คือทุกข์ใช่ไหม พอโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําได้ก็คือคพลุกนะได้หายใจนะจิตใจก็เหมือนกันนะมันเหมือนคนจมน้ํา่ะจิตใจจมกับอารมณ์พอมีสติมันโผล่ขึ้นมาออกจากอารมณ์นิดหนึ่งก็คือพลุจากความพุกพลนจากอารมณ์การที่มีสตินะมันมาติดเชื่อไม่ง่ายเนเราพลุคิดจมน้ำแล้วเรานออกจากน้ํานิดหนึ่งแม้ยังไม่ได้ขึ้นฝั่ง แต่ก็ต่อชีวิตของเราให้หายใจได้ให้ยังไม่ตายนะจิตใจของเราเหมือนกันนะจิตใจถ้าเรามีสติมีปัญญา ก, ก็คือพ้นออกมจาจากความทุกข์โค้ น, นออกจากความหลงได้นิดหนึ่งก็ยังดีนะเราจะฝึกแบบนี้เบื้องต้นไม่มีใครแยกได้เด็ดขาดนะแยกก็ได้ตลอดอกในเบื้องต้นมัมีแต่สลับกันไปจบแล้วก็โคน้นจบแล้วก็โคน้นก็คือว่า มีสติกับขาดสติมีสติกับขาดสติหรือว่าบางทีก็ใช่ว่ารู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างตรงเนี้ยนะเราฝึกตรงเนี้ยให้เห็นกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นเแค่ผู้รู้บางทีก็เข้าไปเป็นบ้างก็ออกมาเข้าไปเป็นบ้างแล้วก็ออกมานะแต่ให้เราสังเกตกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพื่ออะไรบางที่เร <to> าทําไมเราต้องยกคือเคลื่อนไหวหรือต้องเดินจําครเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งนิ่งๆหรือถ้าเราไม่มีกรรมฐานสักอย่าง จิตใจจะลอยเอ่อเคยเห็นคนใจลอยไหมเอ่อถ้าเราเคยเห็นคนอื่นใจลอยเราจะรู้ว่าคนนี้ยใจลอยเป็นแบบเนี้ตาจะเม่อเอแค่ตาเม่อก็รู้แล้ววัาใจก็เมื่อตามไปด้วยหรือไปคิดถึงแฟนไปคิดถึงบ้านไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอะไรก็รู้เอ่อบางทีก็เรียกว่าใจลอยไปหรือบางทีก็เรียกว่ามันโจรกรรมอารมณ์เอ่อือถ้าเราเคเห็นคนที่ผุมุคุณคิด คนจมกับความทุกข wow. like okay. really ah so, <in> ์เป็นยังไงเห็นไหมเวลาคนที่เขาอกหักเวลาคนที่เขาผิดหวังนะมันหน้าก็บอกเลยว่ามันจมจบทุกนะใจคนปกติน่ะถ้ามีสองอย่างก็คือไม่ลอยไปเลยนะลอยไปกับความคิดก็จมกับอารมณ์นะคือสองจากสองส่วนเนี้ยคือความไม่ปกติของคนความไม่ปกติของจิตนะของเราฝึกสติคืออะไรพอเรา รู้ส so, ึกกายเคลื่อนไหวน่ะจิตมันจะไม่ลอยจบความคิดจิตจะไม่จบกับอารมณ์เพราะว่าจิตมันจะไปรู้การเคลื่อนไหวของกายอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพอกายมันจะเป็นปกติเกิดใจเป็นปกติคือว่าใจรู้การเคลื่อนไหวของกายมันจะไม่ลอยจะไม่จบมันจะรู้เฉยรู้เฉยมันจะเป็นการเรียกว่าจิตเป็นการจิตตั้งมั่นน่ะเรามาฝึกเพื่อให้กายเคลื่อนไหวนะเพื่อให้จิตมันคุ้นเคยกับการเป็นการ ถ้ามันมีงานทำกอย่ากเมื่อจิตมันมีงานทํานะมันก็จะได้ว่าให้ฟูกงซ้าเหมืรหรอนเราก็เคยเห็นนะบางคนคิดมากเป็นโนปัสสัตถ์มนก็บางทีเราก็ต้องบอกว่าให้ไปหา ง, งานทาให้หาอะไรทําเพื่ออะไรจะได้ไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราเต้องเหมือนกันต้องหางานทําำแต่ในที่นี้ไม่ใช่หางานทําเหมือนสัทางโลก ก็คือหนาเรื arte, ่องให้จิตมันคอยรับรู้นะก็คือสร้างการเคลื่อนไหวเจ้ามือสืบสี่จังหวะก็ดีเดินจังกรมก็ดีคือให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนะให้มันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือเราสร้างให้สติมัเจอขึ้นแบบนี้เนาะให้สติมันรู้การเคลื่อนไหวในปัจจุบันมันจะได้ไม่ลอยไม่โจมไปกับอารมณ์กับความคิดเนี่ยเนี่ยเรารู้การเคลื่อนไหวนะจิตจะมีอยู่กับปัจจุบัน เมื่อจิตมันอยู่กับปัจจุบันนะครั้นี้มันจะมีกำรามตามมานะจิตที่อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆจิตที่อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเขาเรียกว่าจิตมีสมาธนะิจิตมันตั้งมั่นนะเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบ ก, กับตอนที่เราเรียนหนังสือการมีสมาธิคืออะไรมีสมาธิในการฟังครูพูดดูครูๆๆเขียนแล้วก็คิดตามวิเคราะห์ตามจำได้อันนี้ทําได้ อันนี้คือสมาธิในทางโลกที่เราใช้เช่นตั้งใจฟังตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจคิดอย่างเป็นประบบเป็นเรียง น, นนี้คือสมาธิใช่ไหมนี่สมาธิในทางธรรมก็มีอาการคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าแทนที่จะไปดูไปฟังข้างนอกมันกลับมาดูมารู้ภายในของเราเองก็คือมาดูการเคลื่อนไหวของกายมารู้การเคลื่อนไหวของใจอันนี้คือสมาธิภายใน ก็คือจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิเนี่ยการที่เราเอาจิตที่มีสมาธิมาดูการเคลื่อนไหวของกายมารูเท่าทันอาการเคลื่อนไหวของใจเนี่ยจิตจะมีสมาธิมีความตัมต้งมั่นแล้วก็มีความสงบนี่คือแค่เราจเจริญสติตโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็จะทําให้เราออกจากอารมณ์ออกจากความคิดทําให้เราไปรู้ได้มากขึ้นในระดับหนึ่งนะออกมาได้เรบ่อยๆอเหมือนกับใช้เบื้องต้นก็คือฝึก สุให้ายจิตมีสติกับการเครื่องหยของกายในเรื่องต้นนะเมื่อเรารู้รู้การเครื่องใยของกายได้บ่อยๆคราวนี้บางทีนะบางอารมณ์มันก็จะมีมีความรู้สึกนะความรู้สึกก็คือสุขภาวนาบ้างทุกขภเวทนาบ้างหรือว่าเฉยๆบ้างนะสุขเช่นเรายินดีเราพอใจนะเรามีความเพลินใจแล้วก็มีความสุข ทําไปนานๆนะทําไปแล้วก็เดินเจนกรมแล้วก็มีความสุขมีความพอใจมีความเบามีความสบายอันนี้เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นบางทีก็มีความขัดใจมีความง่วงนอนมีความขี้เกียจขี้ค้านนะไม่พอใจเกิดขึ้นนะไม่พอใจตัวเองไม่พอใจคนอื่นสิ่งอื่นบ้างหรือว่ามีเวทนาเกิดขึ้นกับกายเรื่องความไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ใช่ไหะ คือบางทีก็เฉยๆบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติบางทีพรเวทนาบอนี้มันเด่นนะสติก็จะเข้าไปเห็นเวทนาอ๋อความสุขเกิดขึ้นแล้วเนาะความทุกนะข์เกิดขึ้นแล้วเนาะความเป็นปกติเกิดขึ้นอยู่ในจิตเราก็รู้ได้นะไม่ใช่รู้เพียงแค่กายเคลื่อนไหวแต่เมื่อเวทนาเขาเด่นขึ้นมาฟีดนะขึ้นมาไปคิดเรื่องที่ อดีตที่เคยไม่ชอบใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดความทุกข์ขึ้นในใจมันจะเห็นได้ว่าสติจะเข้าไปเห็นว่าอ๋อความไม่พอใจอเ่็นแบบนี้มันก็จะวางความไม่พอใจออกไปได้นะถ้าเราเคยสวดเรื่องสติปัฏฐานนะเราจะมีปวดปวดที่ว่าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจําเห็นจิตในจิตอยูเป็นประจําเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจําแต่ทอดต่อไปเขาจะบอกว่า เมื่อมีสติแล้วมันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็คือเนี้ยถอนเวทนาออกไปจากจิตใจเราได้นะก็คือถอนความพอใจความไม่พอใจก็คือความถอนความยึดมั่นตืมมั่นนั่นแหละนะเนี้ยมันสติมันเห็นเวทนามันก็จะถอนเวทนาออกไปจากจิตจิตใจให้เขาไปยึดเวทนานั้นก็เป็นตัวเป็นตนของเรานะเราก็เป็นแค่ตัวหนึ่งเวทนาไม่ใช่ตัวตนของเรา นะและบางทีมันก็เห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นนะเมื่อสองกัะดานก่อนนี้ก็พอดมีมีโยโคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะประมาณ2องเดือนค่นะอยที่วัดเมื่อเดือนที่ผ่านมานะมีการเก็บอรมณเข้มในวันสี่สิบวันสมท า, านเข้มสี่สิบวันนะอาตมาก็ไม่อยู่ก็ขึ้กลับมาไม่นานโยงเขาก็มาพูดให้ฟังว่า สิเขาก็ไปลองพิสูจน์ตัวเองยังไงเป็นนะปลองพิสูจน์ดูความตัวของตั ว, ตวเองนะคือจากแต่ก่อนก็เคยเป็นคนติดสบายเนาะเคยอยู่คานโดเคยอยู่คนเดียวสบายอยู่นะนะก็ไปลองอยู่เต็นท์นะก็พัวงูว่านะาพัวความเป็นสะดวสบายว่ามันมีห้องน้ำํำไม่มีอะไรก็ก็นะไปอยู่ได้วันหนึงหลวงพ่อเขียนก็เลยแนะนําเขาว่านะ ไม่ไปลองอยู่เมีนบ้างเหรอน ะ, อะเขาก็องไปลองอยู่นะไปามาอยู่เมียนตอนแร ก, ก็ไปอยู่กับกางวานันไปอยู่ตอนกลางวันก็สบายมากเ <c oughs> ขคิดว่าสบายมากกลางวันไฟ ส, สวา่างไม่ถึงว่าาฟคิดสว่างนั่นไม่คืนไม่ข้างก็ไปอยู่กลาง ว, วันก่อนวันหนึ่งก็ได้ลองไปอยู่ตอนกลางวันก็คือ เนะขาเห็นกลา ง, งวันก็ปฏิบัติโดยจมปมนั่งยกมือสบายถึงปกติจิตไม่ได้กังวลอะไรนะก็มีสติบ้างวงไปบ้างธรรมดาแต่พอเริ่มโฟกัสเริ่มพบคำเฮ้เราก็อยู่ที่เดิมนะแต่ทำไมจิตมันวิววิวแนตะ่แปลกปเก่าๆทำไมความัวมันแท้กเข้ามาควาคัวมันมาเพรกความเ ม, คคา ม, ม, ามออื่อยอะทำไม ค, ควรมัว มันหายไปตอนที่มันสว่างนะเขาก็เฮ้ยก็สสัยแต่เองทำไมตอนสี่ห้าโมงมันไม่มีความกลัวพอหกโมงกว่าหนึทุ่นนะความกลัวมันเข้าม า, าต่างความมืดก็เห็นละก็ใจเริ่มปรุงละเริ่มเริ่มปุงเรื่องผีเพราะว่าไปอยู่ที่ฝ่ายช้าไปอยู่ที่เชิงตะกอนนะก็ไปปุงเรื่องผีปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่เขาก็ อ, อ, อยู่ดูนะก็นั่งยกมือมบ้าน อเดินจะพรบ้างเพื่อจิตตรงนั้นแหละก็สังเกตเห็นกายที่เคลื่อนไหวบ้างเห็นใจที่เปนภูมิแต่บ้างนะเขาก็ได้พอเขาก็ดูไปแล้วสังเกตว่าที่จริงแอาการัวดนี่มันเป็นการภูมแต่จิตของเราเองนะอจิตเราภมแต่เองมันเราไม่ได้ปวดเขาก็ทำอย่างนั้นอะวันแรกพอเห็นความปวดเราจักรวงปวดวันหลังวันนี้ความกลัวดมาน้อยลง เพราะอะไรเพราะเราเห็นเรารู้ทางะไม่ใช่เปิดโปงของตัวไปนะไปใชการบังคับเปิดผปแต่พอเราแค่มีปฏิเสธเห็นสลับกับการเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นจิตกลัวพอเห็นจิตกลัวได้เร็วได้บ่อยนะมันก็อะไรมันก็เรียกว่ามันก็กลัวน้อยลงกลัวต้านลงแล้วก็ความกลัวประมาน้อยลงเองวันที่สวันที่สามนะก็ มีความกลัวนิดๆหนๆๆนะ่อยๆเข้ามาเยือยเยินบ้างในตอนค่ำคืนนะแต่เขาบอกว่าปัญหาก็อยู่ร่างสบาย ล, ละนะเพราะว่าอะไรเห็นว่าความกลัวคือเรื่องของจิตของเราเองนะจิตเราไปปรุงแต่งอันนี้คือการเห็นจิตนะที่หรือที่เราเรียกว่าจิตตามที่พัฒนาจิตประทานก็คือว่าเห็นโมฆต่างๆมันเป็นการปรุงแต่งของจิตเรานะจะเป็นความกลัวจะเป็นความคิดจะเป็นควา ม, วามโกรธ เป็นความพอใจความไม่พอใจคือการปรุงแต่งของจิตเราพนักมีเดจจิตไปปรุงแต่งมีเดจจิตไปโสงคิดมีเดจจิตไปเถอไปเองนี่คือการเห็นกระบวนการของจิตเห็นจิตมันคิดเองของมันเห็นจิตมันเสลงอารมณ์เองของมันถ้าเรามีสตินะเราจะแยกแบบนี้เห็นว่าจิตมันถ้าเป็นเรื่องหนึ่งเห็นความคิดก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกับ มันกับแก้วน้ํากับน้ำนะแก้วน้ำเนี่ยเจ้าน้ําป่ามาใส่มก็เป็นสีใสจะเป็นเอานมมาใส่ก็เป็นสีขุ่นอาจจะเป็นน้ําแดงมาใส่ก็เป็นสีแดงจิตเราเหมือนกับแก้วน้ำนะความคิดอารมณ์เกับน้ําที่มันเข้ามาน้ําแดงน้ําเหลืองนะหรือว่านมมันเป็นขนาดมันจะเห็นว่าอ๋อจิตมันไป็นน้ำเป็นแค่สภาวะมันเครื่องรองรับอารมณ์เฉย อารมณ์เป็นแค่ส่วนหนึ or, ่งแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะเห็นว่าจิตกับอารมณ์เป็นตัวเดียวกันแลพวที่สำคัญมันจะไปยึดว่าจิตเนี่ยเป็นของเรามันก็ยึดว่าเราโกรธเราคุกเราให้พอใจแล้วพอใจเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะเห็นแล้วก็แกว่าองตายเพื่อนื่อนไหวส่วนหนึ่งจิตมันก็อยู่ต่างหากัป็นส่วนหนึ่งอารมณ์มัเข้ามาแทรกอีส่วนหนึ่งอะามันจะเห็นแล้วก็เมื่อเห็นเราพยายาถอดเลย ก่อนการดิดมั่นหรือมั่นเราก็จะ เ, เห็นว่าอ๋อจิตก็เป็นเพืนหนึ่งอารมณ์คิดก็เป็นเพืนหนึ่งเมื่อเราเห็นแบบนะั้นเรจะรู้เพราะว่าความคิดน้อยลงแลวว่าเจียนท่านใช้คำว่าถ้าเราเห็นจิตใจคิดนึกคุณแต่งได้นะนั่นคือเราได้ต้นทางของการปฏิบัติเลยการเห็นจิตคิดนึกคุณแต่งไม่ใช่รู้ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรนะมันปุงแต่งอย่างไร ไม่ใช no. huh ่รู que, ้เหมือนเราอ่านละครอ่านนิยายไม่ใช่แบบนั้นนะอ่าไม่ใช่ไปอ่ารู้เรื่องราวที่คิดแบบนั้นแต่ถ้าเราเห็นจิตมันออกไปคิดเมื่อนั้นแหละคือต้นทางต่างกันนะจิตมันออกไปคิดจิตมันไปออกเฉลยอารมณ์นะมันจะเห็นว่าจิตเดิมแท้มันไม่เป็นอะไรความคิดมาที่หลังออกไปออกไปที่หลังอ่า มันจะเห็นว่าเบื้องต้นตอนแรกจิตไม่เป็นอะไรจิตเป็นปกติพอไม่ปกติความหลงมันแทรกเข้ามามันจอนเข้ามาชั่วข่าวอันนี้แหละนะคือการเห็นว่าจิต ม, ม, มันไปคิดจิตมันไปหลงอารมณ์ถ้าเราเห็นแบบนี้ได้นะเรียกว่าตอนได้ต้นทางการภาวนานะเพราะว่าจิตใจมันเห็นสภาวะที่เรียกว่าปกติกับให้ปกตนะิถ้าเราจะดูจิตในนแง่ของความเจริญปติ โดยไม่ต้องไม่ว่าเราบอกว่าเราจะทิ้งฐานกายนะแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวแต่เราจะเห็นจิตมันดูจิตสะดูแสองส่วนก็คือว่าดูว่าจิตเป็นปกติคือแบบนี้แล้วถ้าจิตเี็แบบนั้นคือจิตไม่ปกตินะจิตปกติคือจิตที่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งว่างว่างบา ง, บางอยู่จิตที่ไม่ปกติคือจิตที่เป็มีอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างคุงดีบ้างคุงไม่ดีบ้านะงะโกรคปวดบ้าง มันทีแล้วก็ไปแยกชื่อต่างๆนางามากมายนะแต่แท้จริงแล้วก็เราแยกแค่สองส่วนว่าจิตปกติกับจิตไม่ปกติแค่นี้นก็ได้นะเราก็เห็นกระบวนการของจิตที่แสดงอ า, า ก, การต่างๆเกิดขึ้นหรือแม้แต่ทำมารณ์ที่เกิดขึ้นนะทำมาลงนี้มีหลายอย่างมากนะเช่นตัวที่เด่นชัดตัวที่ง่ายคื อ, อ น, นิวรณธรรมนะเจอรู้จัก น, นิวรณธรรมไหม ความง่วงเหงาหานอนความคิดผลุ้สั้นความกังเลสงสัยความคิดในทางที่เป็นธรรมารมก็ดีหรือความคิดในทางพยาบาทก็ดีอันนี้เรียกว่าธรรมารมถ้าคนที่เคยฝึกสมาธิในเบื้องต้นนะเขาจะเห็นว่าอะไรนิวรธรรมเนี่ยคือเครื่องขวามกั้นจิตไม่เข้าเข้าสูถึงนางความดีนะคล้ายๆเหมือนเป็นถ้าเหมือนนักวิ่งข้ามล้วนะ นิวรธรรมของรั้วที่มาตั้นงมันกนําแพงที่มาตั้งแต่ในทางปฏิปทานนะท่านอาศัยนิวรธรรมเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์ก็คือก็อเห็นกระบวนการของจิตใจของอาโลณที่มันแสดงอาการตา่างๆฟังง่ายๆเช่นตอนเนี้ยเราไม่ว่องใช่ไหมเปิดใบก็ไม่แน่นะนะใช่ไหมทม่าไหวเหรอแต่ก็มาหับนอนอิ่มเต็มที่นะ พักผ่อนพอสมควรวันเสาร์ก็ไม่ทำอะไรวันอาทิตย์ก็น่าจะสบายนะแต่ทําไมมายกมือตั้งจังหวะแบบนี้บางทีบางคนนี้ยกไม่ถึงขึ้นชั่วโมงเนี่ยม่วงห่าเงเดือนแล้วนะผ ม, ระมสร้างยังไมต้องรบกึนตั้งแต่นาทีแรกมาเดอนไปดูทีั้งแล้วนะก็คือทําไมล่ะตอนแรกมันก็ไม่ห่วงเพร่วมันแย่ทำงานทุกคราวเพราะว่าจะเกิดหรืว่าอ๋อนี่วาระทำ มาจะเป็นเครื่องความขั้นจิตให้แม่นมีสมาธิไม่ถึงความดีก็ใช่แต่ในทางปุตตินะถ้าเราเปุตติเพียแค่ผู้รู้ผู้ดูเฉยเฉยเราจะเห็นว่าเออเรามีสติอยู่เตรง น, นี้แต่จิตมันม่วงเป็นอีส่วนหนึ่งจิตมีสติจิตตรงนี้คือปกตินะแต่จิตที่คิดคุงมสร้างเป็นอีเข่วนหนึ่งมันจะเห็วนว่าอ้อ ความคิดนะก็เป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่เราความหง่วงก็เป็นแค่ความง่วงไม่ใช่เราการปรุงแต่งในทางที่ดีนะการที่พอใจมันก็เป็นการปรุงแต่งมันไม่ใช่เราการคิดพยาบาทคิดไม่พอใจมันก็เป็นเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่เราเราจะมีสติแล้วต้องเห็นเป็นกระบวนการนะฮะมันเป็นแค่กระบวนการเป็นงแค่เหตุปัจจัยนะ เราเอาที่วารธรรมมาเป็นครูสอนธรรมะได้เลยนะเป็นการยกระดับสติปัญญาได้เลยไม่ต้องไปแบบพยายามพยายามผักใสพยายามกด ข, ข่มพยายามหลีกหนีไม่ปล่อยใจไม่ใช่นะเร า, เาใส่ที่วารธรรมเป็นตัวที่เรียกว่าทําให้เราได้ว่ายกกระดับจิตใจให้มีปัญญาก็ได้นะหรือทํามาลงในห ม, หมวดของอายะจนะ ก, ก็ได้นะตาเห็นรูปรู้สัมพันธ์ หมูได้ยินเสียงก็รู้ ท, ทันจิ้มกุ้ได้กลิ่นรู้ ท, ทันดินรับรสก็รู้ทันการสัมผัสก็มีสติรู้ทันจิตใจคิดนคุณแต่งก็มีสติคอยรู้ทันอันเนี้ยสตรริรู้ทันมันจะเป็นไงก็คือเมื่อรู้ทันแล้วมันจปล่อยความพอใจความไม่พอใจออกจากจิตใจได้อันเนี้ยคือมีสติรู้ทันเช่นนี้อันนี้คือเรียกว่าการปฝึกเจริญสตินใน ในสติสติปัฏคานะหือว่ากลายเวทนาจิตธรรมสติสติหมวดเนี่ยนะมันจะชมูเริ่มต้นนะเริ่มต้นจะการจะ ม, มือเคลื่อนไหวก็ได้เดินจงกรก็ได้นะหรือรูปแปรใจก็ได้มันจะดูครบทั้งกลายเวทนาจิตธรรมนะดูทั้งเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมต้องตสองส่วนเลยนะทั้งสองส่วนแต่ในการฝึกสติแล้วเราต้องได้ฝึกเพียแค่เราต้อง ทำในรูปแบบแค่นี้เักานั้นเนาะเพราะว่าอะไรชีวิตจริงของเราในแต่ละวันเราก็ต้องกินดื่มขับถ่ายนะต้องทํางานทำงานนะต้องพบปะผู้คนต้องเลี้ยงลูกต้องประกอบอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็นะเราก็อาศัยการมีสติในชีวิตประจำวันก็ไปด้วยนะมีสติในการรู้กายเคลื่อนไหวเช่นเดินในที่ตรงพยาบาลนะ บางทีมาก็สังเกตบางทีมาลงพยาบาลก็สังเกตคุณหมอโรงพยาบาลก็เดินกันได้ดุเร็วนะบางคนนะทำไมเดินเร็วจังไปไหนอจะไปตรวจคนไข้คนไข้ก็ไม่ได้จะเจ็บหนักอะไรทำไมเดินเร็วขนาดนั้นะก็อบางทีเราก็เป็นความเคยชินใจเราเล่นแต่ทำให้เจ็บป่วยเกิดตนี้เสร็จเร็วๆก็ คราวนี schaft, things, er ้ก็ไร่เป็นตรวจตึกระนิดก็เดินเร็วเองนะใจไปเป็นอยากให้ว่าให้มันเสร็จเร็วๆทางานนี้เสร็จจะได้ไปทํางานนั้นทํางานนั้นเสร็จไปทํางานนี้นะใจเป็นอยู่แต่งาน้ำงานไม่อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันที่จริงเรียกว่าไม่ต้องไปรอทำงานงานทางในปัจจุบันของเราตอนนั้นคืออะไรคือการเดินใช่ไหมปัจจุบันของเราคือการเดินแล้วก็ต้องมีเสถียนการเดินจิตอยู่กับการเดินเดินเดินเดินนะ ถ้าเราอดีตติการเดินนะก็จะไม่ไม่เร่ไม่ช้าจะพอดีตามแล้วแต่ว่าเีตปัจจัยนะไม่ใช่ว่าเดินช้าตลอดนะข้ามถนนจะเดินจะช้ามันจะจนคมก็ไม่ใช่นะก็ต้องเดินให้มันรู้จักจังหวะนะเพื่อจะจะแบบพอดีถือว่าคนไข้เขาเจ็บหนักแล้วคุณหมอเขาใจเย็นสบายแล้วเสนอลอยใจเขาเก็ไม่ได้ใช่ไหมคนไข้จะเหนื่อยใจวายายนะแต่รู้จักจังหวะมันพอดี แต่ถ้าจังหวะไหนมันไม่เร็วเกินไปไม่ได้วเกินไปแต่บางทีเราก็เคยชินที่อยากดีที่จะเร่งตัวเองนะถ้าเรามีสติเราจะจัดฝาจังหวะของเราให้พอดีได้นะเหมือนกับสติเหมือนกับเครื่องแอร์เครื่องปรับอากาศอีกนึงนะมันร้อนเกินไปแล้วก็ปรับให้มันเย็นนะมันหนาวเกินไปแล้วก็ปรับลงมาให้มันอุ่นขึ้นมาให้มันพอดีสติก็เหมือนกันมันจะปรับจังหวะการใช้ชีวิตของเราให้พอดีกินดื่ขับทาย ที่สำคัญความับจิตใจอารมณ์ของเราให้มันพอดีไม่ร้อนมากเกินไปนะไม่เย็นเกินไปนะก็คือว่าไม่จุกเกินไปไม่คุกเกินไปให้เป็นปกติธรรมดาแต่การบอกว่าให้มันเป็นปกติธรรมดาไม่ใช่ว่าวันทั้งวันจะเฉยเฉยไม่มีอารมณ์นะไม่ใช่นะบางที่คนก็คิดว่าคนภาวนานองปฏิบัติธรรมนี่จิตใจต้องเหมือนแบบเหมน ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีความรู้สึกะไม่ใช่เหมือนคนสูบขีดอยาชาหรือว่าความอยากอารมณ์นะอคือไม่ให้เป็นผักเป็นต้นไม้ไม่ใช่เป็นก้อนหินก้อนทรายเป็นเสาแบบนั้นเพราะคนคิดว่านักปฏิบัติธรรมต้องแบบนั้นต้องเื่อยต้งชื่อชีวิตก็เือชื่อไม่มีอารมณ์ยิ้มแย้งหัวเราะไม่ได้นะดิ่มดื่มคุกคิวคนไม่ได้ก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะ คนที่มีสตินั้นไม่ใช่ว่าต้องเจิดชื่อแบบนั้นในชีวิตแต่คนที่มีสติคือคนที่รู้ทันว่าอารมณ์เราเนี่ยเป็ ians, นแบบไหนจะมาแตะไม่ได้ว่าคไม่จะบินเรสังเกตไหมบางคนหัวร้องเสียดดังเขาร้องง้างมากนะใช่ไหมอารมณ์ก่อนไว้นะสูงมากก็ดุมากอตอนมีความสุขในสุขสนุกสุดเบี่ยงตอนทุกข์ก็โจรกับความทุกข์สุดเบี่ยงเหือนกันใช่ไหมจะเห็นว่ามันสบิน เหมือนกับเราถ้าเราสร้างรูปวันขึ้นสู่ขนาดไหนนช่ไหมพอมันกะเด้หลงพื้นก็กระโดดขึ้นสู่ขนาดนั้นแหละนะแต่จิตใจคนที่มีสตินะมันจะมันจะไม่ออกแต่ฐานพอเป็นปกติมากเพราะมันสมมติมันสุกนิดนึงมันจะรู้ทันเป็นความปกติทุกนิดนึงก็จะกลับมาเป็นปกติคือมันจะไม่เวียงมาก น่ะไม่เบียดมากนะแต่ถ้าคนที่เบียดมากก็คือเราขาดสติมากเพราะว่าอะไรเขา ง, ง่ายๆเช่นเช่ความโกรธความไม่พอใจน่ะมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการขัดใจน่ะไม่ตรงกังความคิดของเราไม่ตรงกความเห็นของเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทัน้งแต่ความไม่พอใจนะมันจะไม่ทันการเป็นความโกรธเป็นความโมโหเป็นความพยาบาทใช่ไหม ไอ้พวกนี้มันไปนอยู่เป็นตะกูลเดียวันคือตะกูลที่เรียกว่าโทส ะ, ะคือความไม่พอใจถ้าเรารู้สัง้งแต่ตอนแรกนะมันก็จะเไม่พอใจนิดหนึงสติก็จ ะ, ะต่างมาเป็นความเป็นปกติไอ้คล้ายจะเหมือนกับกองไฟอ่ะไฟมันจะไม่อ่าอาคารจะไม่บ้างก็ต้งเริ่มจับในน้อยๆเป็นไฟลุ่มลุ่มไฟในช็อตหรือว่าไม่ฉีดไฟนะ ก็ไม่เน้อยมันก็ลางไปเพระมันีเชื้อมากก็ไม่ตึกไม่อาทารไหม้อะไรไดสารพัดนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติในเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนนั้แรกใช่ไหมมีสติเข็นตั้งแต่ไฟมันเริ่มไหม้ในใจของเราเพราะือความฟุ้งความไม่พอใจมันเกิดขึ้นในใจของเราในตอนแรกเราวก็จับในตอนนั้นได้แต่บางคนกอทําไมบอกว่าครูบาอาจารย์บอกให้ ไค่เห็นความโกรธเฉยๆความโกรธก็ต่างไฟเพราะ อ, อะไรเพราบทีเรารู้ไม่ตั้ตั้งแต่กว่าไม่พอใจแต่แรกพอไฟลามไปเป็นความโกรธคิดพยาบาทไม่ชอบเขาแล้วมันเห็นชัดๆได้มันโดดเข้าไป เ, เป็นไม่พอใจไปพอใจมันก็ลับไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติอย่างแท้จริงนะถ้าเราเห็นความโกรธความโกรธนีนน่จะต่างไฟกับหน้าตาตา คารวะเคยมีประสบการณ์ตอนตอน น, นเป็นคารวะเป็นคารวะแต่ก็เคยฝึกปฏิบัติงานบ้างในในแนวทางการตอนนั้นดูลมหายใจนะดูอ า, านาปานสติกก็ทําบ้างไม่ทําบ้างทางภาษาตอนนั้นก็เป็นนักปรึกษาอยู่ก็มีมีช่วงเหตุการณ์นึ่งที่มีความไม่พอใจอาจารย์ที่ที่เป็นเป็นที่ปรึกษานในในการฝึกงานนะก็มีความไม่พอใจ ไม่พอใจว่าอลไรเราไปยิดเขาผิดแล้วคนของเราความชอบธรรมความถูกต้องข อ, องเราเองคือคนมันก็มีธรรมดาคนะความคิดความเห็นมันก็ไม่ตรงกันอ่ะเข า, ก, เ า, เาก็เห็นว่าแบบนี้ถูกเราก็เห็นป็นแบบนี้ถูกเมื่อเราเขามีอำนาจ เ, เขากับเราเขาก็ทําตามที่ที่เขาคิดว่ามันถูกนะเราก็ต่อรองไม่ได้เราก็คือมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความไม่พอใจแล้วก็เก็บความไม่พอใจของเราไว้ในใจเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็เปิด ก็คือก็ไม่พอใ จ, จแสดงออกทางหน้าตาทางอาการต่างให้เขารู้แต่อาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากถ้าถ้าชี้ว่าอะไรทั่นอบอกสุทธิศานะก็คือเด็กชื่อนะมาสุธิศาเธอเห็นคิ้วเธอปริโลหรือเปล่าคือเราไม่เห็นแต่เพรเราไม่มีกระจกเห็นเห็นหน้าตาของเราใช่ไหมแต่พออาจารย์พูดนะเราจอนไม่เห็นอะไรเห็นใจเรามันโกรธอ่ เห็นใจเราโกรธเห็นใจเราผูกโกรนะบางทีเราทมาก็ผูกโกที่คิ้วก็เลยหนึ่งแผลแผงฮะต่อเขก็ขอกโกรน่ะแต่บางทีเนี่ยพอมีคนที่สะท้อนให้เราเห็นว่าอ้อเราโกรธอยู่พอเราสังเกตเห็นความโกรธในใจของเรานะไอ้ที่ว่าเคยโกรธที่ว่าข้ามวันข้ามคืนโกรธแบบไม่ขอร่วทางกันนะแค่เห็นความโกรธในใจความโกรธก็หายไปเลยนะ อ่าอย่างนั้นก็ฝึกงนานอย่ามีความสกรนะอ่าไม่ไม่ต้องเอาสู่ความผิดกับอาจารย์ละเพราะอะไรเราเห็นว่าความโกรธมันเกิดที่ใจของเราที่มันไม่ยอมเห็นอ่าพอเราเห็นตอนนั้นเห็นเลยว่ามันมีอันที่โศมากแค่การเห็นความโกรธนะแค่ครั้งเดียวนะมันเห็นเลยว่าชีวิตของเรามันได้แต่ละเวลาเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าความโกรธเป็นของเราเนี่ยมันไม่เอาเหยียดไม่เอาผลไม่เอาคนอื่นเลยเราจะความคิดตัวเอง มันพอเห็นแบบนั้นก็เลยทําให้เราวางจากอารมณ์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของการภาวนามากขึ้นนะก็เลยได้มาเจอสติสอนนะพวกเราก็เหมือนกันนะจะปฏิบัติวิธ er ีไหนก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถเห็นความคิดเห็นอารมณ์ของเราได้นะแม้ตอนนั้นเราเห็นแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้เกิดดีแต่พอความฝึกวิธีเจอสติแบบหลวงพ่อเทียนไม่เห็นว่ามันเป็นอาการเดียวกันเวลาเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์ จะโลภโกรธต้อ ง, งเหมือนกันมันเห็นแล้วพัตสติมีกำลังมันจะวางทันทีมันจะไม่เป็นผู้โกรธแต่ก่อนเราเป็นผู้โกรธพอเห็นความโกรธนะความโกรธหายไปนะมีแต่ความเป็นปกติอนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าฝึกตัวเรื่อยๆฝึกสติเรื่อยๆมันจะเห็นอาการนีนะ้บ่อยๆเป็นเสมอเสมออารมณ์ความคิดมันจะเข้ามายอมคิดเร่งร้อนอันนี้คืออานิสงส์งของการฝึกสตินะ ให้พวเราได้เห็นคุณค่าในความสำคัญของการทึกสตินะแต่ในรูปแบบก็ดีหรือว่านอกรูปแบบในชีวิตประจําวันของเราก็ดีถ้าเราคอยมันทึกสตินะสติเนี่ยนะจะทําให้ชีวิตของเราเรียกว่าออกจากอารมณ์นะออกจากความคิดได้แล้วจิตใจของเราจะเป็นผู้ที่ปกติดได้อยู่เสมอนะอาจจะไม่จะประวัตแต่ก็จะเป็นประจําวันชีวิตเราจะมีสติประจําวันนะ อย่เสมอเสมอฝึกเจริญกระทำแบบไหนฝึกเจริญกระทำจิตใจมีสติเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะจินดื่มขับข่ายจิตเดินดนั่ง น, นอนผู้เหตุเคลื่อนไหวจะปฏิบัติในรูปแบบก็ตามหรือไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบสติก็จะตามรู้เหองถ้าเราฝึกไปแล้วจำของเราจะเห็นว่าสติมนจะรู้เอง น, นะจะเดินไปขึ้นรถเดินไปเข้าห้องน้ํำก็ไม่ได้ตั้งใจตั้งกหนดนะ สติไม่ใช่การกําหนดไม่ใช่การบังคับแต่ที่เป็นการตามรู้ตามดูะความเป็นไปของกายแต่ก็ดูมันก็จะรู้ของมันเองเดินก็รู้จิตก็รู้นอนก็รู้เป็นธรรมชาติมากเมื่อความคิดเมื่อโรมมันแตกเข้ามามันก็ไปรู้ของมันเองไม่ใช่ไปปล่อยจ้องดูนะการรู้จิตการรู้ความคิดก็ไม่ใช่ไปการจ้องว่าเมื่อไรมันจะคิดเมื่อไรมันจะออกมา ไม่ใช่เหมือนแมวไปจ้องดูตรงปากดูว่าดูว่าเมื่อไหร่หนูมันจะออกมานะไม่ใช่เหมือนคนคอยตกเบ็ดแล้วก็คอยดูแต่คันเบรดเมื่อไหร่ปาจิติตเส็จไม่ใช่นะเขาจะเห็นั้มคนตกเบ็ดที่สบายๆบางทีก็ตกเบ็ดได้เป็นหลายลังเลยนะเป็นสิบๆลังปางดียกันไม่ใช่ไปคอยจ้องดูตรงสายตรงเหยื่อว่าเมื่อไหร่มันจะเบรดนะไม่ใช่แล้วก็นั่งสบายๆพอมันพุกก็ตื่เมื่อจิตเงินเคลื่อน สติจะเข้ก็ิดเหตุทันทีเข้าปิเห็นทันทีนะเหมือนกัเบกเกอร์เวลาปกติมันก็เหมือนธรรมดาธรรมดาพอไปมัวดมันตัดทันทีเหมือนเราเห็นไหมบางทีเห็นเกี่ยวหรือว่าเห็นลมบางทีมันบินล่งองล่มดาธรรมดาเหมือนบินเน้นๆบินสมนกษ์สไม้แต่กองเห็นเหยื่อนะมันแหลมคมตะกบทีดนะเราเคเห็นนกตัดเตงไหมเวลาบางทีมนก็เกาะใบวัว อ่าอ่าตอไปวัวนิ่งๆเชยๆพอปาเข้ามาใกล้เนี่ยมันเข้าไปปุ๊บอ่าจับปาทันทีมันว่องไวแบบนั้นสติในการเห็นความคิดเห็นจิตก็ไม่ใช่ว่าไปคอยจ้องไปคอยดูเมื่อความคิดเมื่ออรมณ์เกิดขึ้นมันเข้าไปดูมันรู้ขมันเองเป็นธรรมชาตินะอันนี้คือสติเป็นอัตโนมัติแบบนี้เห็นกายได้เห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมดา เป็นความคิดแห่นจิตใจถ้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ต้องเป็นเป่งเจ้าะอะไรมากอันนี้คือถ้าเราเห็นมันจะเป็นเช่นนี้เนาะเนี่ยถ้าเราฝึสรรมมากสติจนไปอัตโนมัติได้มากขึ้นนะเนในวันทุกวันเราจะมีสติได้ต่อเนื่องนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ขนาดนี้ ก, ก็ต้องคอยฝึยนะกไปเรื่อยนะอาศัยการตามรู้ตามดูทาํทาไปบ่อยๆเคลื่อนไปบ่อยๆนะรู้บ้างหงบ้างก็ไม่เป็นไรนะ รู้แล้วก็หลงหลนหลววก็รู้ใหม่ะหลงแล้วก็รนะู้ใหม่มันจริงหลวงพเขียนท่านใช้คำว่าปฏิบัติธรรมคือการกลับมากลนะับมาคิดกลับมามีสติกลับมารูนะ้ตัวหวงไปคิดบ้างดืนะ้อตัวบ้างนไม่เป็นไะนะรกลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวนะ เหมือนกับพักภาษาพวกอีสาเราเขาเรียกว่าอะไรเรียกขวัญนะเรียกขวัญนะมาเลื่อนขวั่อนอย่างนี้ก็คือกลับมาหาตัวเองนะกลับมาดูตัวเองนะกลับมาอยู่กับตัวเองนะเรียกให้นกลับมาเรียกกลับมาก็คือเรียกใจเรากลับมาเป็นความรู้รุ่นร่างเรียกใจเรากลับไปจากความลงกลับมาดูเมื่อรู้ตัวนี่คือการดีสตินะฝึกเป่อวันนะแล้วมันค่อยๆสะสมการเป็นปัญญาในการเห็นความจริง ปัญญาคือการเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตเนี้ยมันมีแต่จริงที่เป็นทุกข์นะมันมีแต่จริงที่มันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ก็คือเห็นไตรลักษณ์นะปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของชีวิตไม่ว่ากายนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีมันมีแต่สภาวะที่เป็นไตลักมีแต่สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นมีแต่ความเป็นทุกข์ทนอยู่ในการเดินไม่ได้นะ มีเด็ดสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความข้องขันของใครส่วนใดคนหนึ่งมันมีเหตุมันก็ไปกาบนั้นอปัจจัยก็ไปแบบนั้นมันเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลมันมีแต่เรื่องพวกนี้เมื่อเรามีปัญญาเห็นความจริงนะแต่ก็เกิดโสภาวะที่เรียกว่าการปล่อยวางก็คือการยอมรับความจริงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปทุกข์เพราะว่าความจริงที่แสดงอาราร มาเป็นจพีงแค่ความจริงเพื่อแสดงความจริงให้เห็นไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเพื่อให้เราเปสุขเปทุกข์ไปกับมันอันนี้คือปัญญาในการเข้าใจความจริงของชีวิตอันนี้แหละคือการภาวนาเนาะแล้วก็การภาวนาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเฉพาะพระหรือว่ามิคนอยู่วัดก า, ารภาวนานี่จริงเป็นสารวะปัญญาโยมจยิจ่งต้องสําคัญในการภาวนาว่าะอะไรชีวิตพระชีวิตในวัดเนี่ยมันมีตัวช่วยเออยอะเลย ตื่ขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดแล้วแหละ ว, ว่าจะไปทําอาหารอะไรก็รูปบาทไปไปเดินสักร อ, อบหนึงหมู่บา้านก็ได้อาหารเด็กเลยนะไม่ต้องคิดนะแต่โยมต้องคิดนะไปซื้ออาหารไปทําอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต่างๆนะหรือบางทีต้องไปทํางานใช่ไหมแปดโมเช้าห้าโมงย็นก็ต้องเลิกงานนะมันเรื่องปัจจัยงสี่ญาตโยมต้องคิดต้องใช้ขึ้นม า, าใต่สิ่ของบ้านเะนี่ย ปัจจัยตีไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องใช้มากอ่านกะีวอลก็มีแค่ชุดเดียวนะบาทก็มีใบเดียวกินได้ตลอดชาตินะกุติก็พออยู่พอใสยารักษาโทก็มากมายนะคือไม่ต้องอาใส่มากดังนั้นชีวิตภายในวัดก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ต้องทุกข์มากเพราะว่าเหตุปัจจัยภายนอกนะแต่ชีวิตภาระวัดเนี่ยนะชับ ชักหน้าไปถึงหลังก็หลายข้างหลายเท้าใช่ไหมเดือดร้อนเพราะว่าขันตัวเองก็ยังพอถึงัวรถ้ะมีขันหัวขันเมียขันลูกขันหลานขันญาติพี่น้องต่างๆมาเป็นภาระที่บอกนะอันที่เราตรวจขันทั้งห้าหรือสองหนักเน้อะนะขันของเราเองแค่ห้าขันก็หนักแล้วบางคนมีสิบขันบางคนมีสิบห้าขันบางคนมียี่สิบขันสามสิบขันอะไรอันี้นี่ของเราหัวของเรา ลูกของเรานะเมียของเราหลานของเราแม่ของเรานะมันก็มีเอาขันนะมาเป็นทุก เ, เป็นตัวตนของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นนะอ๋อจริงจริมันก็ยังมีนะเราก็ยังมีพามีพ่อมีแม่นะอ่าเราเคยมีลูกกคยจำนะแต่คืออะไรเราเห็นว่าขันก็เป็นขันของเขาเราเน่ไม่ทำเป็นทุกข์อของเขาแต่เราทําหน้าที่นะเราไม่ใช่อยู่ก็จะไปแย่งกัน อ่าแต่เราอยู่เพื่อทำหน้าที่สำคัญอ่าเป็นข้อก็ทำหน้าที่ของพ่อเป็นแม่เราทำหน้าที่ของแม่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกอะานี่คือเราอยู่เพื่อทำหน้าที่พยายามที่เห็นความจริงนะพ่ทำหน้าที่ทำแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่คิดก็ไม่เปไหนก่างได้ไม่ไปยึดไม่ไปแบกไม่ไปถืออ่าทำแล้วก็สดทำแล้วก็วางทำยังไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าทิ้งคว้าก็ทำใหม่ทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆะ เส็จทุกวันนะจบทุกวันวางทุกวันทุกครั้งทุกเวลาจะเรียกว่าใช้เวทใช้เวลาหรใช้ชีวิตแบบวันวันต่อวันก็ได้นะไม่ต้องตกลงอดีตไม่ต้องตกลงนานาติอยู่ในวันนี้นะไในสิ่งที่เราโฟกาสที่ตั้งนี้คือมีชีวิตแบบวิถาีแบบวินาทีหรือมีชีวิตแบบต่อลมหายใจเข้าขออกแต่ละครั้ง ต่อการเคลืไหวแต่ละครั้งใช่ไนหะมซีอยู่กับปัจจุบันดีเซยอยู่อยู่อยู่กับปัจจุบันนะถ้าจะต้องคิดวาแงแผนก็คิดในปัจจุบันนีนะ้ตั้งใจคิดตั้งใจพูดตั้งใจทำคือเรียกว่ามีเวลาอยูกับปัจจุบันเมื่อคิดถึงอดีต่นะก็ดูแ ล, ลดแล้วก็หลงไปเมื่อคิดถึงอนาคตก็รู้ว่าหลบไปกลับมาอยู่ปัจจุบันนะนอกจากในการงานที่ต้องคิดก็ค่อยตั้งใจคิดนะัก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็ นะั้นมันก็เลยว่าคาราวาสก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญว่าถ้าเราไม่มีหลักในการใช้ชีวิตชีวิตเราก็จะทุกข์นะเพราะว่ า, ามันมีสิ่งกระทบมากเมื่อกระทบมากถ้าเราไม่มีหลักเราก็จะเจะเทือนนะเหมือนกับมันกับอ่าลูกโปกงนะลุกโป่ที่มันสมมติทุกโป่งสว่างใ น, นนะีเนาะถ้าไม่มีไม่มีคนจับนะมนก็จะต้องรอยไป ตามแต่กระแสลมจะพาไปนะตามแต่ความสุขความทุกข์จะพาไปแต่ถ้ามันมีหลักในการยึดไว้ก็คือธรร ม, มะหรือว่าสตินะเราจะให้เราไม่หลงไปทุกข์มากะหลงไปบ้างก็กลับมาเป็นป ก, กติได้ทุกข์ไปบ้านงกากลับมาะกลับมาได้ฉะนั้นคารวะจึงจําเป็นในการฝึกมากะพระก็จำเป็นมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเราก็เหมือนเขาเรียกว่า เ, าเป็นหนี้ชาว บ, บ้านน ะ, นะนะ อาหารมีธาบาปอะไรต่นางๆก็ได้จากชาวบา้านถ้าเราไปฝึกกิน อ, อยู่ๆแล้วก็กินแล้วก็นอนไม่ทำประโยชน์ก็เหมือนกับการเป็นหนี้เขานะก็ได้บาปได้กรรมติดตัวติดใจไปนะก็ไม่ได้ประโยชน์เสียคุณค่าไใชไม่ได้ปัญญาด้วนะมีนานไปก็มีแต่ขี้ขี้เกียจี่ทานขึ้นอันนี้อันนั้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่ทุกคน้องฝึกเพราะว่าอะไร ผู้ริจารถเขียนเหมือนว่าจิตใจเราเหมือนกับแม่น้ําแม่น้ําคืออะไรเราเคเห็นแม่น้ำใส่ไหนไหมมันร้อยขึ้นมันไหลขึ้นเขามันไหลขึ้นไป็ น, นที่สูงไม่มีนะนอกจากเพื่มปั่นไฟปัป่นนาขึ้นไปนะแม่น้ํามีแต่ไหลรวมต่างเรื่อยๆจากยอดเขานะไหลรวมสู่ลำทางสู่แม่น้ําแล้วก็ไหลไปออกมาหาโขดก็คือมันต่างเรืนะ่อยๆ จากที่ด้าสูงลงมาสู่ที่รุ่มแล้วก็ออกฝากฝากอ่าวออกถูทะเลไปรวมลงมหาสมุทรนะจิตใจของคนเราก็เหมือนกันพวกพุทโธก็เขียนเหมือนว่าจิตใจของเราถ้าเพิ่มึกก็เหมือนกับแม่น้ํำคือถ้าไม่ฝึกนะมันมีเจตไหลลงกระาสนี่เรื่อยเคยพุ้งซานน้อยๆต่อไปก็จะฟุ้งซานมากเคยโกรธน้อยๆต่อไปก็จะโกรธมาก ไคยลงน้อยตอนไปก็จะหลงมากนคือถ้ามึงไม่ฝึกนะมันจะเป็นนะจิตใจจะไหลลงขาเรื่อยๆการฝึกจิตใจต้องเหมือนกันย้อนทวนทวนกระแสกิเลสให้เข้าสู่ความสะอาดความสว่างความสงบให้มันได้วระสูงขึ้นเจ้ากระดับจิตให้มันสูงขึ้นหรือว่าฝึกให้มันเข้าสู่ความสะอาดมากขึ้นตรงนี้แหละคือเราเราจะต้องมาฝึกกันะตั้งแต่ตอนนี้แหละไม่ต้องรอเข้ารอแก รอไตจะตายก่อนนะเดี๋ยวร อ, รอรเสตียนก่อนนะบางคนก็มีความคิดนะมาไปถาม ใ, คใคนค น, นเดี๋ยวก็อรอราเสตีย์ก่อนแต่จะไปอยู่วัด น, นะเรอรเสตียนก่อนมันจะไปตั้งบ้านสวนไปทําที่เดินชมกงลงอะไรนะเอ่มากระถามเออเราแน่ใจเหรอเราจะอยู่ถึงตอนนั้นได้ <c oughs> <ๆ c oughs>ก็ไม่ค่แน่ใจเกันนะบางคนมีปัญหาสามีมีความทุกข์ทางศาสนาอเโว อนาคตว่าจะไปอยู่บ้านสวนกันแต่พอจะมีปันใจไปมีกระตือก็เหมือนส ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มุดสมดเป้าหมายเหมนชีวิตอ่ะทำไมล่ะถ้าเกิดจะไปอยู่ว้านนเพื่อทำอะไรก็กะว่าจะไปปวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมเอาสวนเป็นวัดนะอ้าวกรณีนี้ตอ น, นเนี้ยตอน น, ตอนนี้ก็ทําตอนนี้เลยไม่ต้องรอว่าต้องตัดสินนะทาตอนนี้เลยนะปฏิบัติธรรมตอนนี้เลยไม่ต้องรอเ ข, นะข้านอนแก่เพราะว่าอะไร ชีวิตเราไม่แน่เนาะมีใครรู้บานะ้างในปาติทิเบนนะเขาบอกว่าเขาเขาถามว่าวันนี้เออวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเราดูแน่ไหมนะวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไหนจะมาก่อนกันไม่มีใครรู้นะนะแต่มีคนประมาณสองแสนคนที่รู้รู้ว่าะอะไร เขาบอกว่เฉลียนในโลกของเราวันวันหนึ่งมีคน2แสนคนตายไปในแต่ละวันแต่ละวันโลกเรา6พันกาล้านคนหรือ7พันนะคนรู้นะ้อาคลไม่อัพเดตนะแต่รู้แต่ว่ามีคนตายไป2แสนคนต่อวันหนึ่งอันนั้นบางทีเนี่ยมันไม่แน่เลยนะวันนี้่วมเมื่อวานนี้เราไม่มีคนหนึ่งใน2แสนแต่วันนี้ก็ไม่แน่นะ ปี น, นี้ก็ไม่แน่นะอ่าปีหน้าก็ไม่แน่นะคือเราไม่แน่หรอกว่าเราจะไปตอนไหนนั้นได้ทําความคิดตั้งแต่ตอนนี้แหละนะ่ะรอให้เขาได้แก่หรือว่ารอวนสุดท่านชีวิตนะเราฝาึกตอนนี้แหละจะเป็นกำไรโยเราฝึกตอนนี้นะเหมือนอะไรเหมือนคนที่ทํางานแตนน่เรแรก้ทำงานหักขนาดนั้นแล้วก็มีเงินเก็บฝากธนาคารหรือว่าลงตุนอะไรไปตอนหนักกว่านี้นหนไหมเพราะสบายทำไม ข้าราชการพอกระเียนี่ยสบายขึ้นเนาะใช่ไหมตอนทำงานก็คือซุบตอนถ้าได้ปัญหาก็คือสบายขึ้นหน่อยถ้าใครไม่ไปตร้งรนี้มากเกินไปนะก็มีเงินเดือนได้ใช้ในแต่ละวันะคือนักธุรกิจในตอนเริ่มแรกเราไม่เห็นดอกเขาเรียกว่าลงแรงลงกายลงใจเป็นขนาดไหนนะตอน่ามพอธุรกิจมัน มันติดตลาดมันมันคงแล้วเขาเนี้ก็ไปเที่ยวไปกินในได้สบายมีเงินมากมายใช่ไหมการภาวนาก็เหมือนกันเริ่มแรกมันต้องมาใส่ความเครียดมาไปทําเยอะๆนะพอมันได้หลักแ้วรยหนึ่งนะมันก็จะสบายนะเหมือนคนที่มันรวยอ่ะนะคนรวยบางทีเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรนะก็มีเงินใช้ก็อะไรเหิือนฝากธนาคารก็ได้ดอกได้เบีย้ยเนไปเข้าอุ้นนะหุ่นก็ท่า เข้าคนดีก็จะเจริญเตัวนตนะอันนั้นก็เหมือนกันหรือเหมือนกับคนที่เกษียณไม่ต้องทํางานแล้วก็จะมีเงินใช้ะจิตของเราที่ฝึกดีแล้วก็เหมือนกันก็เหมือนกับเขาจะการบํานาญเมื่อเกษียณแล้วหรือได้หลักแล้วก็มีเงินใช้ะมีสวัสดิการใช้จิตก็เหมือนกันเหมือนไม่ต้องทําอะไรแต่มันทําของมันเองของมันไปะมีความเจริญก้าวหน้าของจิตไปเรื่อยๆ าสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขได้เอยเยนะยถ้าเราฝุดตรงนี้นะมันจะทำให้เราได้ใช้ในชีวิตประจนของเราได้เนาะกา็พูดมาพอสมควรคงเพื่ออะไรเพื่อให้ เ, เราเห็นความสำคัญแล้วก็เกิดกาลังใจแล้วก็ให้ได้หลับในการภาวนาเนาะแต่วันนี้ก็ผมจะได้พากานปฏิบัติก็ผมพูดเดยอะๆในในช่วงต้นถนัดนะแต่ช่วง ที่เดืเอส่ใหญก็เป็นเรื่องของภาพการาการปฏิบัติกันนะมีคนที่ที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยฝึกไหมนอกจากเมื่อกี้ที่เตยสอนแล้วในช่วงต้นแต่เห็นมีประมาณที่่ามีพอสมควรที่ยังไม่เคยฝึกเอาเอาย่างนี้กันคนที่ไม่ไม่เคยฝึกเนาะมามาที่ข้างหน้ากันนะมาข้างหน้าเลย แต ไ, ได้ไม่ต้องใช้เที่ยวก็ควร ค, คนที่เสร็จสุกแล้วมาข้างหน้าเดี๋ ย, น, น, น, น, น, ย, ย, ย น, นั่งในแถกวก่อนแล้วแต่เดียวเดี๋ยวจะมาสอนที่ดาวจะได้เรียต่อพร้อมกันส่อนเ็ราะอะนั่งนั่งในแถวข้างหน้าก่อนเนาะนั่งเตรียมพร้อมกัน เก็บความก่อนนะเขาชาติที่ทำได้สาคนก่อนเพราะว่าอะไรเดีย๋ยวทำอะไร น, น, นานๆนจึงไปมันก็ทุกเดี๋ยวทุกไหมขาทุกไหมใจทุกไหม <c oughs> ทำไมอะ่ะให้ใจขามทุกไม่ได้แหรอสังเกตไหมตอนเก้าโมงในี่ยขาไม่ปวดเท่าะอะไรตอนนี้สิบโมงเกืครึ่งแล้วมันมาได้ไงความปวด มันมาคนทุกคนเนอะเพาะความปวดเป็นธรรมดาโยมมันเหมือนกับเหมือนกับเชื้อโรคอะ่ะเชื้อโรคมันก็อยู่กับร่างกายเรานะเ่นไข้หวัดก็ดีหรือใครเป็นกีสุิีใสใช่ไหมมันก็มีเชื้ออยู่ข้างในมันมีเชื้อทุกอย่างใ้ในแหละแต่ตอนที่มันไม่แสดงอาการนะก็คืออะไรร่างกายจะมีภูมิคุกกันอ่า มีเรียว่ามีภูมิคุ้กันไมให้เป็นโรคเป็นภัยตอนไหนภูมิคุ้กันผ่อนแอบกเข้า้องโรคภัยก็แสดงอาการทั้โผล่เข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันความรู้ก็มีอยู่ในใจในใจอยู่แล้วแต่ตอนไหนที่มันมีความรู้มันเป็นภูมิคุ้กันก็เลยไม่ปุกตอนไหนที่มันไม่รู้ก็เลยปุ๊บภูมิคุ้กันโลคก็าภูมิขันใจก็คลายกันแต่ยาปาเดิน โดยจะประกอบ น, นะให้ให้ได้ยึดเส้นยึดสายได้มีสติขันปนระโยมเก็บหนังสือค่านวัดเอาไว้ข้างหน้าแล้วว่าเราจะดินภาวนาด้วมขันนะดีตรงนี้นะโยมมีเอา เขาแถวที่ปูเสือที่เขาเรียกว่าแนวแนวแนวลึกนะงานปึกทิ้ไปให้ให้โยมเอากระเป๋าไว้ตรงที่ที่ไม่ไม่กี่หว่างใครนะก็อันนี้ให้ยืนชึ้นตรงหัวแถวที่แถวที่ปูเสือแนวรึกนแถวแล้วต้อะไร่บาม สี่ห้าคนออเอาให้มันครบทุกแขวเลยโย่เหมือนคล้ายๆคนเข้าแถวเขา้ารุนชาตินะเนาะ อ, อ, อัาเราเข้ามามาตออกันถนะีกทั้งหน้าอ่าอ่าแถวตอนแล้วก็แต่ต้องชเดียดเฉเดียให้ให้ แถวไหนน้อยนะก็มามันเฉลี่ยให้มันแถวๆที่ตรงกลางตรงนี้ว่างก็มาเพื่ม อ, อี่แถวนึ่งเ อ, อ่เพิ่มไปพรทุกแถว่าเข้ามาตั้งหน้าแล้วกาแถวไหนยาลงนไปสตัตว์เข้าหาแถกที่น้อยลงเพราอะไรกำนวนจะได้เฉลียเฉลี่ยเท่ากันคุณจะมีช่องเดินที่มันมันมากขึ้นเนาะ